พระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอัตถกถาอธิบายเปรียบให้ฟังเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าดูก่อนมหาบาพิษอาตมาภาพเป็นผู้มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์จักทาตามโอวาทนั้นใส้พระองค์ก็จักบังเกิดในเทวโลกหากพระองค์ไม่ทําตามโอวาทนั้นพระองค์จักจมอยู่ในเปลือกตมคือกามในกาละเป็นที่สุดแห่งพระชนชีพของพระองค์จักบังเกิดในนรก พระองค์เองจากทรงทราบสวรรค์หรือนรกด้วยเหตุนั้นส่วนอาตมาภาพพลแล้วจากพบทั้งปวงไม่ต้องปฏิสนธิแล้วก็พระประเจกับพระพุทธเจ้านั้นพูดถวายโอวาสนี้เสร็จพระราชาะะนะแด่พระราชาพระองค์นั้นก็แสดงถึงแม่น้ำแสดงถึงซากศพช้างที่ถูกน้ำพัดพาลอยไปในแม่น้ำคงคาแสดงถึงกาตัวที่จิกกินซากศพแสดงถึงการที่ จิกกินซากศพแล้วก็ดื่มน้ำของกาตัวนั้นแสดงถึงการที่มองดูไพรสนอันน่ารื่นรมใจแสดงถึงการเข้าไปสู่มหาสมุทรของซากศพที่ลอยไปในแม่น้ำแสดงถึงการที่จับไม่ได้ที่ไม่ได้ที่จับอาศัยบนซากช้างแลยเอีอกาตัวนั้นก็ถึงความพิน้าท่ามกลางมหาสมุทรของกาบรรดาสิ่งเหล่านั้นอธิบายว่า วัตตะสงสารอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้บัณฑิตเพนเหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมสังสารวัตเหมือนกับแม่น้ำกามคุณหในสงสารเปรียบเหมือนซากช้างที่ลอยอยู่ในแม่น้ำโอ้ยอินนะตัวใหญ่ด้วยอร่อยด้วยเนี่ยนะกินตับอย่างเดียวนี่ก็สบายแลย้ววั่นนะกับตับไซส์ใหญ่มากนะใหญ่กว่าอี ก, กาหลายสิบเท่ากามคุณหอย่างในสงสารก็เหมือนเหมือนอนานซะากช้าง ปุตุชนคนผานก็เปรียบเหมือนอีกาเนี่ยนะฉลาดเท่ากากาละแห่งปุตุชนผู้บริโภคกาบคุณนสโสมนัตเปรียบเหมือนการที่กาจิกกินซากศพแล้วก็ดื่มน้ําแม้มีความสุขร่าเริงมากบริโภครูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพที่น่ารอร่อยเนี่ยนะแม้มีความสุขจริงๆเลยนะเฮ้เฮ่สบเปรนมากอารมณ์สามประการหรือสมถะทั้งหลายด้วยอํานาจการฟัง ของปุตุชนที่ติดข้องอยู่ในกามาคุณทั้งหลายเปรียบเหมือนไพรสนอันน่ารื่นรมใจของตาจริงๆสมรรถะทั้งหลายที่ลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเหมือนกับไพรสนนะว่าจะบินต่อตายอยู่ในทะเลหรือจะบินเข้าป่าก็แล้วกามใจท่านผู้เป็นบัณฑิตเพิงเห็นเหมือนกับความพิราษในมหานรกของปุตุชนผู้เป็นคนผ่านยินดีในกามาคุณมีความชั่วเป็นไปในเบื้องหน้า คือตอนนี้ก็ทําชั่วข้างหน้าต่อไปก็จะไปให้ทำชั่วอีกจะไปไหนก็ไปนรกนั่นแหละเพราะไม่สามารถจะได้ที่ตั้งอาศัยในกุศลธรรมที่เปรียบเหมือนการที่กาเมื่อซากศพไปสู่มหาสมุทรแล้วก็ไม่สามารถจะได้ที่จับที่อาศัยถึงความพินาศไปพิรกว่าเจอพระธรรมคําสอนก็ไม่สนใจนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยในที่สุดก็อเอวังวังกันจบเลย พระปเจกพระพุทธเจ้าถวายโอวาทแด่พระราชาพระองค์นั้นด้วยข้ออุปมาอย่างนี้แล้วบัตรนี้หวังจะทำโอวาทนั่นแหละให้ตั้งอยู่อย่างมั่นคงก็เลยกล่าวว่าบุคคลผู้อนุเคราะห์คือผู้มีใจกรุณามุ่งเปลื้องทุกคนอื่นเนี่ยนะพึงกล่าวแต่คำเดียวหรืออย่างมากพูดแค่สองคำถ้าจะเตือนกันเนี่ยนะเตือนแบบคนหวังดีใจดีจริงๆพูดคาเดียวสองคก็พอไม่พึงกล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพูดมากกว่านั้นก็เหมือนกับทาสที่อยู่ในสำนักแห่งเจ้านายก็ว่างั้นถ้าหากว่าพูดมากก็เหมือนกับทาสนั่นแหละว่างั้นอธิบายว่าทาสแม้เจ้านายจะเชื่อถือถ้อยคําหรือไม่เชื่อก็ตามก็ต้องพูดอยู่อย่างนั้นแหละขอร้องอ้อนวอนนายอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าเป็นทาสนะบอกว่าพระปเจกก็บอกข้าพเจ้าไม่ใช่ทาสพระปเจกับพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จก็เหาะขึ้นไปด้วยริดเลยแล้วก็สั่งสอนพระราชาว่า ถ้าพระองค์จักผนวดหรือไม่ผนวดก็ตามอาตมาภาพก็ถวายโอวาเดพระองค์แล้วดูก่อนมหาบพิธขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดเนี่ยนะด้วยเมตตาก็อย่าประมาทนะเสร็จแล้วก็เหาะไปอยู่ภูเขาชื่อว่านันทมูละกะภาษาสดาตรัสว่าพระโสดากาเจคผูพแตธเจ้าผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้เพราะปัญญาระดับโลกุตระเนี่ยนะขันธูนพร่ำสอนบร ม, มกษัตริย์และก็เหาะไปในอากาศหลีกไป อธิบายว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายพระปัเจกพรพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาอันบุคคลนับไม่ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อันเป็นโล ก, กุตระที่ใครๆนับไม่ได้พอท่านกล่าวคํานี้แล้วก็เหาะขึ้นไปด้วยฤทธิ์พร่มสอนบรมมกขสัตว์อย่างนี้ว่าถ้าพระองค์จับสรงผนวดก็เป็นเรื่องของพระองค์ผู้เดียวถ้าพระองค์ไม่ผนวชล่ะก็เป็นเรื่องของพระองค์อีกเช่นกันนั่นแหละอาตมาภาพถวายโอวาทแล้ว แกพระองค์แล้วขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถอะแต่ก็หวังไว้ในใจว่าพระองค์คงไม่ประมาทนะนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระประเจกขพุทธเจ้านั้นผู้ไปโดยอยู่โดยอากาศเพียงเท่าที่จะมองเห็นได้ครั้นพระประเจกขพุทธเจ้านั้นรับสายพระเนตรไปแล้วเรียกลับตานะก็กลับมาได้ความสลดใจขึ้นว่าพราหมณ์นี้มีชาติต่ำโดยชาตินี่เรากษัตริย์เขาพราหมณ์ห่างกันเยอะ เสร็จ แ, แล้วก็ยังโปรยธูปีและองลงบนศีรษะของเราผู้เกิดแล้วในวงกษัตริย์อันมิได้ปะปนพระคนด้วยวงอื่นแล้วก็เหาะไปในอากาศนี้ไปแสดงว่าเหาะข้ามไปเลยนะไม่ใช่เหาะแบบไปโน่นนะเหาะข้ามไปเลยคนะแม้ตัวเราก็ควรออกบวชให้ได้ในวันนี้แหละอยู่ไม่ได้แล้วเท้าเธอปรารถนาที่จะมอบราชสมบัติก็ตรัสว่าบุคคลผู้อพิเศษผู้สมควรให้เป็นกษัตริย์เป็นราชทายาท และบุคคลพูดถึงความฉลาดเหล่านี้อยู่ที่ไหนเราจะมอบราชสมบัติให้เราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติเราจะบวชวันนี้แหละใครเล่าจะเพึงรู้ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งเราจะไม่โง่เคเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกาไม่ของโง่เท่ากาโรอไม่ของโง่เท่าอีกาตัวนั้นเนอะกันนะ ทีนพวกอมาตะพอได้ฟังก็ตอบว่าโอรสหนุ่มของพระองค์พระนามว่าทีคาวุจจากบำรุงรัตให้เจริญได้มีอยู่ขอพระองค์จงอภิเสกโอรสนั้นไว้ในราชสมบัติพระโอรสนั้นจะได้เป็นพระราชาของข้าพระบาททั้งหลายพระองค์จะบวชก็บวชเธอโอรสองคโตเนี่ยเป็นกรรษัตริย์อภิเสกเลยเหมือนกันพระราชากขาบอกกับท่านทั้งหลายจงรีบเชิญทีคาวุกุมารผู้บำรุงรัตให้เจริญมาเถิดเราจะพิเศษเท้าเธอไว้ในราชสมบัติเธอจกเป็นราช จะเป็นพระราชาของท่านทั้งหลายพระศาสดาพเพื่อประกาศเนื้อความนั้นลำดับนั้นพวกอัมมาก็ไปเชิญทีคาวุกุมานผู้บำรุงรัฐให้เจริญเข้ามาเฝ้าพระราชากระอดพระเนตรเห็นเ อ, เอกอัครราชโอรสผู้หน้าปลืม้มพระทัยนั้นก็ตรัสว่าลูกเอ้ยขามาเขตของเรานี่6ห0 0 0ื่นบริบูรณ์ไปด้วยประการทั้งปวงลูกจงบำรุงเขาพ่อขอมอบ ร, ราชสมบัติให้ลูก พ่อจกบวชในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้จักความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม่ขอยอมงูเป็นคนเขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกับกาแล้วก็เลยยกเนี่ยยกช้างห0 0 0ืเชือกอะไรม้าห 0,000 ืตัวรถ 60,000 คันแม่โคโนมห0 0 0ืตัวสตรีห0หมื 60, ่ 60, 60, นหมื่นหกพรางบอกฉันขอขอยกสิ่งเหล่านี้ให้ลูกทั้งหมดพ่อจะบวชในวันนี้แหละ ใครเล่าจะเพิ่งรู้ถึงความตายในวันพรุ่งนี้นะพ่อจกไม่ยอมเป็นคนโง่เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกับกากุมารก็บอกข้าแต่บิดาหม่อมฉั้นได้สดับว่าเมื่อหม่อมชั้นเป็นเด็กๆพระชนนีก็ที่วงคตหม่อมชั้นไม่อาจเป็นอยู่ห่างพระบิดาได้ลูกช้างย่อมติดตามหลังช้างไปในปา่า ตัวเดียวเที่ยวไปอยู่ที่ภูเขาเดินลําบากเสมอบ้างไม่เสมอบ้างฉันใดม่อมชั้นจะจะอุ้มบุตรธิดาติดตามพระบิดาไปข้างหลังแสดงว่ามีลูกแล้วนะพอจะขออุ้มลูกอุ้มหลานตามพ่อนี่แหละไปในป่าอีกจะเป็นผู้อันพระบิดาเลี้ยงง่ายแปลว่าพ่อต้องเลี้ยงลูกต่อไปนะแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงยากหรอกจกเป็นผู้อันพระบิดาไม่เป็นผู้เลี้ยงยากฉะนั้น พระราชานี่พอฟังมาลูกแม้ลูกเดี๋ยวจะขอจูงลูกจูงหลานบวชตามพ่อไปด้วยกันนั้นนะ่ะลูกเอ้ยอันตรายเนี่ยนะทำเรือที่เล่นไปอยู่ในมหาสมุทรของพ่อค้าผู้สแสวงหาทรัพย์ให้จมลงในมหาสมุทรนั้นนะ่ะพวกพ่อค้าถึงความพี่นา้าชันใดลูกรักเอ้ยเจ้านี้ก็เป็นผู้ทําอันตรายให้แก่พอ่อฉั้นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยทัตเจ้านี่จูงทั้งลูกทั้งเมียทั้งเลนหลานอะไรออกไปบวชหมดนี่พ่อเดือดร้อนแน่ทำอันตรายให้แก่พอ่อชัดๆเพราะฉะนั้น พระอาชกุมารก็ไม่อาจกราบทูลถ้อยคาอะไรอีกจะต้องเงียบอย่างเดียวนะพระราชาก็บังคับพวกอัมมาให้ไปแต่งตั้งเลยเสร็จแล้วทีฆาวุกุมารก็ไปแต่งตั้ง น, นะได้รับการแต่งตั้งอภิเศษเป็นกษัตริย์เนียนะเสร็จแล้วก็พวกสนมกำนันก็ถามว่าพระราชาไปไหนทีฆาวุกุมารก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นทรงก้าวล่วงเสียซึ่งเปลือกตมประดิษฐสถานอยู่บนบกดําเนินไปสู่ทางใหญ่อันไม่มีน้ําไม่รกชัด พ่อของเราไปดีแลว้วงั้นส่วนเราซี่เป็นผู้ดำเนินไปสู่ทางให้ถึงทุกขติรู้ตัวด้วยนะแมมพ่อไม่ให้เราบวชเราเนี่ยจะเดินทางไปสู่ทุกขตินันเนี่ยมีน้ำรกชัดเป็นเครื่องไปสู่ทุกขติแห่งชนทั้งหลายเสร็จแล้วก็สนมนารีก็ประโคมบรรเลงให้ทีขาวุกุมานะนะประชุมชาดกว่า ดูความพิสูจทั้งหลายแต่ถาคตออกมหาพิเนสกรมในบัดนี้เท่านั้นก็าหาไม่คือตอนท้ายเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยพอบวชแล้วก็ทําฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นในที่สุดพระชนชีกก็เกิดในพรหมโลกะนะบอกว่าเราตถาคตออกบวชนี่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นก็าหาไม่แม้ในกาลก่อนก็ได้เคยออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันแล้วก็ประชุมชาดกว่าพระประเจกับพุทธเจ้าโสน ก, กะก็ได้ปรินิพานแล้ว ในการนั้นทีคาวุกุมารในการนั้นก็เป็นพระราหุลบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าอรินธรมะในครั้งนั้นก็เป็นเราตถาคตอันนี้ก็เป็นข้อความในชาดกที่กล่าวถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ประพฤติประโยชน์ด้วยการสงเคราะห์พระโพธิสัตว์เนี่ย น, นะว่าให้พระโพธิสัตว์แทนที่จะไหลในชีวิตไปเรื่อยๆก็ให้เดินทางปฏิบัติไปสู่พรห ม, มโลกเนี่ยนะข้อปฏิบตับติบำเพ็ญเนกขมมะบารมีให้ บริบูรณ์ในที่สุดก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนในอิสิกิริสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาเนี่ยนะที่เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าให้พระพิสูจ์ทั้งหลายนอบน้อมพระประเจกพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระประเจกพระพุทธเจ้ามีพระนามต่างๆสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิกิริกรุงราชครึก สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพิสูเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามดังนี้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายบรรดาเราทั้งหลายนี่พวกเธอทั้งหลายเห็นเขาเห็นภูเขาเวภาระนั่นหรือไม่ก็พระองค์ประทับอยู่ที่ที่ภูเขาอยู่แล้วใชภูเขาล้อมเมืองราชจะครึกมีอยู่ห้าลูกองค์ก็ชี้ษิเห็นภูเขาลูกนั้นไหมเห็นเวภาระไหมเห็นพระเจ้าข่าดูก่อนพิสูทั้งหลาย ภูเขาเวภาระนั่นแลเป็นชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนะแต่ก่อนอ่ะนะก็คือชื่อก็เปลี่ยนไปอ่ปนปะนะพวกเธอเห็นภูเขาปันฑวะนั้นหรือไม่ก็พิสูจทั้งหลายก็บอกเห็นพระเจ้าค่ะแม้ภูเขาปันฑวะก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาเวปุระไหมเห็นพระเจ้าค่ะภูเขาเวปุระก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาคิชกูดไหม เห็นพระเจ้าค่าเนี่ยนะภูเขาคิชกูดก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติอย่างหนึ่งพวกเธอเห็นภูเขาอิสิคิลิหรือไม่เห็นพระเจาา้าค่ามีมีอยู่หภูเขานะรอบเมืองราชาเคเกมีอยู่หเขาหนึ่งเวภาระบรรพศเนี่ยนะเวพาระสองปันดวะสเวปุระสคิชกูด5อิสิคิลิเนี่ยนะรอบๆบเมืองราชาเกมันเหมือนกับว่าเมืองราชาเคเกอยู่ในหุบเขา แต่ไม่ใช่หุบเขาที่ราบสูงนะแต่หุบเขาที่ราบต่ำํำ น, นะแถวๆนั้นเนี่ยที่ราบต่ําดูกวามพิสูจทั้งหลายภูเขาอิสิกิรินี้ก็มีชื่ออย่างหนึ่งมีบัญญัติเช่นนี้นะมีชื่ออย่างนี้บัญญัติเช่นนี้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระประเจกขพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิรินี้มานานพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อกําลังเข้าไปสู่ภูเขานี้คนแรเห็น แต่ท่านเข้าไปแล้วคนแลไม่เห็นมนุษย์ทั้งหลายเห็นเหตุอย่างนี้ก็พูดกันว่าภูเขาลูกนี้กลืนกินฤษีก็เลยมีชื่อว่าอิสิกิลิอิสิกิลิกลืนกินฤษีที่จริงแล้วในนั้นท่านเนรมิตให้เป็นห้องประชุมใหญ่มากเลยในข้างในภูเขานั้ยนะเพราะเข้าไปอยู่สบะอากาศเย็นสบายเนี่ยนะถ้าเป็นภูเขาลึกแล้วก็มีปล่องมีถ้าอะไรหลายๆปล่องเนี่ยอากาศจะเย็นสบายมากโดยมากพระประเจกกับพระเจ้าก็นั่งเข้าพระสมาบัติอยู่ที่นั่น ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้เราจักบอกจักระบุชื่อของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปที่จริงในในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวให้พระพิสูจนได้นอบน้อมพระประเจกพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าใครที่จะได้ไปเมืองราชเครกเนี่ยนะเห็นภูเขาอิสิกิลีก็อย่าลืมน้อมรำลึกกราบไห ว, ว้บูชาพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วย พระองค์ก็เล่าให้พิสูจน์ทางหลายฟังว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายพระประเจกับสัมพุทธเจ้าชื่อว่าอริธาอุปริธาตัคราสิกีนะตัคราสิกีนี่ชื่อดังหน่อยตัคราสิกีก็คือองค์เดียวกันกับที่สุปปพุทธถมน้ํำลายแล้วก็จากไปนะองค์นั้นแหะที่สุปปพุทธนะที่กลายมาเป็นคนโรคเรื้อนก็รู้เน่ยพระพระประเจกับพุทธเจ้าชื่อว่ายาาสัสสสีสุทัศนปิยะถสีคันทระปินโดละ อุปาสภะนิทะตะถะสุ ต, ตวาภาวิตตะถะ้าปเจคพรพุทธเจ้าอาศัยอยู่กินที่ภูเขาอิสิคิรินี้มานานเธอจงฟังระบุชื่อของท่านผู้มีธรรมอันเป็นสาระกว่าสัตว์คือท่านมีสาระนะในหมู่สัตว์ที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายสาระของชีวิตท่านถือเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนานะ พระปเจกพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมสาระมีสาระเนี่ยนะท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์หมดความอยากบรรลุโพธิญาณอย่างดีเฉพาะตนผู้เดียวเนี่ยนะคือตรัสรู้ริยสัตว์ลำพังตัวเองคนเดียวปราศจากลูกสอนคือราคะโทสะโมหะลูกสอนคือความเศร้าโศกเป็นต้นสูงกว่านรชนต่อไปเทิดพระปเจกพระพุทธเจ้าผู้มีตัณหาเครื่องนาไปในภพสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระอริธาอุปริธตะตัคราสีขียาสาสัสสีสุทัศนปิยทัศีคันธาระปินโดละอุปาสุภนิธพุทธเ น, นนะนิธาตถสุ ต, ตวาภาวิตตถาสมภะแล้วก็สุภเมทุระเนี่ย น, นะอัธรมะแล้วก็อัทธสุเมคะเป็นต้นเนี่ย น, นะพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะ่ะท่านมีอนุภาพมาก พระปเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยผู้ละอุปธิอันเป็นมูลทุกได้แล้วพระปเจกเหล่านั้นเป็นผู้ชนะมารและกับพลของมารเป็นผู้ตัดมานะเป็นพร ะ, ะผู้เป็นพระมุนีผู้มีความเพียรไม่ต่ำสามจริงท่านมีชื่อเยอะแยะในของมารไม่อ่านชื่อท่านเยอะมากชื่อภาษาแขกอ่านยากเลยใครอยากอ่านก็ไปอ่านหน้าหน้าอ่านชื่อของท่านหน้าตองสาม นะตอนสามก็คือ3 3 4สา่หนะอยู่3 4สี่นานชื่อของพระประเจกพรพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละในประมาณ500รูปนะเป็นผู้ไม่ต่ำสามมีปัญญาพระประเจกพรพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนะภพสุดท้ายร่างกายสุดท้ายผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกในภพได้แล้ว ผู้ตัดตันหาได้แล้วผู้ปราศจากราคะผู้ตัดตาข่ายอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้แล้วได้บรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้วพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มีอนุภาพมากพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเราอื่นๆก็ดีมีตันหาเครื่องนำไปสู่พบ สิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงไหวพระประเจเกกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่ให้บูชาแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือพระสาวกทั้งหลายเนี่ยกล่าวว่าให้บูชาพระประเจกได้ดังนั้นก็ขอให้เธอทั้งหลายบูชาพระประเจเกจงไหวพระประเจเกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงทำเป็นเครื่องข้องคือราค่าเป็นต้นได้แล้วผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือแสวงหาศีลเป็นต้น ผู้มีคุณนับไม่ได้ผู้ปรินิพานแล้วเถิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าควรแนะนําให้กราบไหว้บูชาในพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะที่จริงแล้วมีบางส่วนเช่นพระมหาปฐุมกุมารเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระประเจกพุทธเจ้าห้าร้อเนี่ยอดีตเป็นลูกของนางปฐุมวดีคืออดีตชาติของนางอุบลวรรณาเนี่ยนะเคยมีลูกเป็นพระอรหันต์เยอะมาก พระปเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะถามว่าบรรลุที่ไหนบรรลุในสะบัวคือว่านั่งในสะบัวคือคือดอกบัวมันเยอะมากแล้วดอกบัวดอกใหญ่ๆก็นั่งคนละดอกคนละดอกพิจารณาความสิ้นไปเสื่อมไปเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าพอบรรลุเสร็จท่านก็เปล่งอุทานว่าดอกบัวในกอในกอบัวเนี่ยนะเกิดขึ้นในสะบานแล้วถูกแมลงพูเคราคลึง ดอกบัวที่ที่อยู่ในสระใช่ไหมพอพองอกงามมาก็บานแมลงผู้ก็บินว่อนในที่สุดจากบัวตูมก็เป็นบัวบานจากบัวบานก็เป็นบัวโรยนะบัวตูมบัวบานแล้วก็บัวร่วงบัวโรยเนี่ยนะร่วงโรยบุคคลรู้ความร่วงโรยของสังขารทั้งปวงแล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแร้นนะนะบัวตูมบัวบานนะคนส่วนใหญ่จะชอบพูดถึงแค่บัวตูมบัวบานนะ แต่ไม่ค่อยถึงนึงบัวร่วงบัวโรยนะแล้วก็พิจารณาสังขารบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระประเจกพะพุทธเจ้าเหล่านี้ก็มาอาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิริบินทบาทโดยอาศัยเมืองราชครื่เหล่านี้เนี่ยนะสงเคราะห์หมู่ประชุมชนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคาถาเก่ยพูดถึงพระนามชื่อต่างๆของพระประเจกพะพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้บูชาบุคคลที่ควรบูชา ผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายกันใครที่จะไปภูเขาแถวๆเมืองราชครือ ก, ก็ได้ระลึกถึงพระประเจกกับผู้เทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้หรือไปเมืองพาราณสีก็ระลึกถึงพระเจ้าพราราณสีอดีตที่เคยได้เป็นพระปเจกับผู้เทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้ น, นะนะเพราะว่าพระปเจกับผู้เทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้สมควรแก่การบูชารองลงมาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาแล้วสองอสงไขยแสนกับ ขึ้นไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่เกินสามอาสงไขยก็ได้บรรลุเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังพระธรรมคําสอนทั้งโดยการอ่านและการฟังการใคร่ครวนการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย ให้รู้ยิ่งทาที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทาที่ควรกำหนดรู้ละทาที่ควรละทำให้แจ้งทาที่ควรทำให้แจ้งเจริญทาที่ควรเจริญมีเจริญสติประฐานเป็นต้นบริบูรณ์ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกโดยท่วนการอนโมทนาขอเชิญฟังรายการ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 สนใจซ d ดีหรือ MP3 ติดต่อดีที่โรงพยาบาลนวนครถนนพุหนโยธินโทรศัพท์02 5294533 41โรงพยาบาลนวนคออยุธยาถนนเอเชียโทร035 315100 30และมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์02 เจ9ดหนึ่งหนึ่งห้าเกาเก้าเจ็ขออนุโมทนาค่ะ